กอความจเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอสถานการณ์ในชมพูทวีปก่อนพุทธสมัยมาตามลำดับซึ่งเราจะเห็นว่าในยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าธรรมชาติของมนุษย์ก็คงเป็นอย่างนั้น เพราะว่ามนุษย์มันเกิดขึ้นมาจากพื้นฐานของวิชาตรนาอุปาทานแม้จะมีธรรมเจือปนอยู่มากแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีงนะเป็นความดีงามระดับมนุษย์เพียงแต่ว่ามีคนอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะสร้างปัญหา ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกภายในไปได้แต่ความรู้สึกเหล่านั้นเองในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบแล้วก็ทรงบัญญัติเรียกชื่อตามอาการคือมันจะชื่ออย่างไงเนี่ยเราคงจะบอกไม่ได้หรอกราะถ้าเราลองนึกดูสมมติว่าพระพุทธเจ้าเป็นอังกฤษ แล้วก็ส่งศัสรูแล้วก็สแสดงธรรมะภาษาธรรมะเหล่านั้นก็ต้องเรียก้วยภาษาอังกฤษหรือว่าทรงเป็นคนไทยก็ต้องเรียกเรียกโดยภาษาไทยแต่ว่าโดยสภาวะมันจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยพยัญชนะโดยภาษาโดยวิธีการสื่อนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างความรู้สึกว่าเพศโลกเนี่ย คือความรู้สึกประเภทที่จใจคนไปกําหนดสถานะของสิ่งสัมผัสว่าเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแล้วก็อยากได้อยากเป็นอยากมีอยากเป็นเจ้าข้าเจ้าของครอบครองสิ่งเหล่านั้นก็ผ่านกระบวนการที่สืบเนื่องมาจากมีความโลภเป็นตัวนําแล้วก็ผลักดันด้วยโมหะคือควลง มันก็มีการแสวงหามีการดิ้นรนมีการต่อสู้ขวากันอุปสรรคอันตรายต่างๆจะถึงจุดหนึ่งก็มีการได้มามีการคือครองมีการครอบครองมีการเก็บรักษามีการไปพวกใช้สอยมีการหวงแหนมีการป้องกันแต่ก็เออจะเห็นว่าพิเลตตัวอื่นมันก็เกิดกระจายตามไปโดยใส่สิ่งที่ที่เราพอใจเนี่ยมันนาจะเกิด โลภะ ก, ก็ได้เกิดโทสะก็ได้เกิดโมหะก็ได้หรือแม้แต่เกิดธรรมชัน้นทะาคือความพอใจในธรรมก็ได้หรือเกิดเป็นทานเกิดเป็นศีลเกิดเป็นสวรรค์ขึ้นมาก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงภายในจิตของบุคคลเหรอกนั้นเพราะตัวอย่างเหล่านี้ถ้าเรามองย้อนไปสู่อดีตกาลที่นานไกลซึ่งได้กล่าวมาแล้วในตอนตอน้นอย่างทรัพย์สมบัติ อนเอกนกอนันของท่านสุมเมธพรามที่สืบเชื้อสายต่อกันมาถึงเจ็ดชั่วสกุลแล้วก็ตกถึงท่านเป็นคนเดียวสิ่งเหล่านั้นก็คือเรียกว่าสังหาริมทรับปเสนหารมามทรัพย์ในปัจจุบันก็เรียกว่าวัตถุกรรมในพระพุทธศาสนาเรียกว่าซั์ก็ได้แปลวัตถุที่นําความปราบปื้มใจมาให้ มันเราจะเห็นว่าเมื่อท่านถือครองครอบครองเนี่ยแทนที่จะสยบติดในขณะเดียวกันถ้าก็มีตัณหามีมนณะทิฏฐิอยู่แต่ว่าพลังมันไม่มากพลังธรรมะมันมีมากกว่าท่านไม่ถึงก็ทำลายไม่ถึงก็ทิ้ ง, งนะฮะ แต่วาหารประโยชน์จากมันคือเปลี่ยนแต่ทรัพย์สินเงินทองซึ่งสาฐานะทั่วไปแก่คนทั้งหลายนี่โจรก็อาจจะกรมวลไปได้อาจจะเป็นอันตรายเพราะน้ําเพราะไฟเพราะญาติที่ขาดความซื่อสัตย์เป็นต้นก็ได้ให้มันกลายเป็นบุญซึ่งติดตัวเราไปแล้วกลายเป็นบารมีที่สืบต่อกันมาหนังกล่าวไว้ในตอนต้นเ น, นี่ยเดินมาย้อนไปเป็นกลับกั บ, ก, บกันๆมันก็คือกัน แล้วพอมาถึงในสมัยก่อนพุทธกาลหรือแม้แต่ในช่วงพุทธกาลในหลังพุทธกาลตัอยนาที่บอกไว้ในวันก่อนว่าลักษณะทางสังคมลักษณะทางเศรษฐกิจกับลักษณะทางสังคมมันมีความขัดแย้งกันอยู่ลักษณะทางสังคมเป็นเราเป็นเขาแรงเป็นวรรณะเป็นชนชั้นต่างๆรังเกียจเดียดชันกัน คือคนไม่เคยเข้าไปอยู่ในแวดวงตรงนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกนะแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ในแวดวงตรงนั้นใกล้ๆกันนี่โกรมาอยู่กับพวกฝรัง่งหรือคนเอเชียแล้วก็ไปอยู่ที่ต่างประเทศเป็นพลเมืองชั้นสองมันจะมีความรู้สึกว่าสังคมนั้นโหดร้ายไม่ธรรมดา ว่ามีการเบียดเบียนประสรุติสายกันดังที่ยกตัวอย่างเรื่องคนในวันณ่าจำทานคนหนึ่งแล้วก็กลายเป็นกาบา ท, ที่สร้างขึ้นระะู้ในว่ามันกลายเป็นบุมแรงที่ย้อนกลับเข้ามาฟาดฟันทําลายโปกพราหม์เองเพราะอะไรเพราะว่าไปตั้งกฎเกณฑ์ไว้มากเกินไปเนี่ยทําให้โปกพรามเองก็แตกแยกกัน แล้วก็ทำลายกันเองตีตามว่าพวกวันนัจันทา์เกิดมาตายขึ้นในบริเวณหมู่บ้านของพวกพรามเจ็ดครัวเรือนจะต้องกลายเป็นจันทร์ไปเลยมันก็ผิดกฎธรรมชาติผิดกระบวนการของกรรมมันไม่มีเหตุผลอะไรไม่มีความเป็นธรรมแต่ว่ามันตราขึ้นโดยโมหะโมหะมันก็มีมานะถือตัวมีอติมานะดูหมินคนอื่นแล้วก็มาขัดแย้งกันเอง ด้ความคิดทางสังคมเราลองสังเกตว่าถ้าเราผ่านระบบการกรานกรองมาพอสมควรนะฮนะก็ลูกข้อเดียวกันทางโครงสร้างที่พรามณ์เขาพูดจริงมันลูกข้อเดียวกันก็มาจากพรหมด้ยวยกันเพียงแีย ว, ว่าเกิดจะส่วนไหนของพระพรหมก็ช่างเถอะแต่ว่าคือตัว ต, วตนของพระพรหมนั่นเอง มันก็แม้แต่ในสายอื่นนะฮะสายที่เราเชื่อมโยงกันเราจะเห็นว่าญาติพี่น้องเนี่ยก็คือญาติพี่น้องอ่ะแต่มาจากสายไหนมันก็แล้วแต่นะสายพ่อสายแม่สายปู่ย่าตายายนะฮะสายลุงป้าหนนะ้าอาก็ก็คือญาติพี่น้องเรามันก็น่าจะมีความรู้สึกเป็นเอกภาพแต่ปรากฏว่าพวกพรามเนี่ยคิดกันกยังไงไม่รู้นะ คิดไปคิดมานี่เอาตัวเองไปวางไว้เหนือกษัตริย์โดยลืมไปว่ากษัตริย์เนี่ยเขามีทรัพย์เขามีบริวารแล้วเขาก็มียศแล้วก็มีอาวุธแม้ที่สุดพราหม์ก็พ่ายแพ้แ ก, ก่กษัตริย์ก็ถูกกษัตริย์ก็เป็นเครื่องมือของกษัตริย์อย่างมากก็เป็นบุรุิตไปลูกน้องเขาบุรุิตทั้งทางที่ ไอ้ตากดเกมขึ้นมาในคมภีร์ประเวศเนี่ยมันก็ตาขึ้นมาในแนวที่ต้องการนำแล้วก็ชื่อตัวเองตัวอย่างที่บอกว่าพรามเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากไฟนั่นเองแล้วก็พัฒนาความคิดขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาจากการบูชาไฟก็เป็นตัวต้นได้เองแล้วก็เมื่อสร้างพระพรหม ข, ขึ้นมาก็ชื่อให้คล้ายคลึงกับตัวเองก็เพื่อเพื่อตนจะได้เป็นจะได้เป็นพรหม เป็นลูกหลานของพรมเพราะฉะนั้นพวกพรามเนี่ยจึงเรียกว่าพรหมพันธุพราหมพันธุพรหมพันธุนะฮะก็มีความรู้สึกเสื่อมาตาแก่ตัวเองพอเอาจริงเนี่ยกษัตริย์เขาก็ไม่อยอมก็มีการต่อสู้กันในหมู่กษัตริย์กับกษัตริย์ในหมู่พรามกับพราหมในหมู่แพะกับแพะในหมู่สูตรกับสูตรในหมู่จันทันกับหมู่จันทันแล้วก็ยังรบกันในนอ ก, กวันนาอีก ร้อนสังคมอย่างนี้มันมันสร้างความแตกแยกเพราะว่าความคิดมันขัดแย้งกันเองบนพื้นฐานของความคิดอย่างไกลๆกันเราที่พยายามคิดในปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมที่เราสังคมไทยบอกว่ารูกไปตีจะรู้ร้างสร้างกุศลจะรู้เลยโยโรยจีนไทยอื่นไกลพี่น้องกันโลกทั้งของพี่น้องกันไลย น, นะที่จริงคิดให้มีที่มาหนึ่งเดียวกัน กบฏยามจะสร้างเอกภาพทำความคิดทางกิจกรรมทางผลประโยชน์ในชุมชนเหล่านั้นแต่ว่าคนก็คือคนน่ะมันมีอัตราตัวตนที่จะถือที่จะเบ่งที่จะสบประมาทดูถูกดูหมิน่นบุคคลอื่นพร้อมก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เบียดเบียนเข่นฆ่ากันอย่างรุนแรงในประเทศเหล่านั้นที่จริงถ้าเราดูให้ดีแล้วเป็นเผ่าพันธุ์ เป็นเผ่าพันธุ์คล้ายๆกับตระกูลแท่ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เกาะกลุ่มกันบางทีก็หลายหลายตระกูลแท่แต่ว่าไม่เชื่อสายที่สามารถยงใหญ่กันได้ก็มาอยู่ด้วยกันเพื่อจะเสริมกำลังขวายตนเองให้แข็งแกร่งเป็นที่อย่างเกรงของฝ่ายอื่นเพราะในสัญชาตยานสัตว์ ที่มันมีด้วยธรรมชาติเดี๋ยวว่าถึงจุดหนึ่งนี่ความโลภหลงมันแรงเนี่ยมันจะคุมไว้ไม่อยู่มันก็จะมีการยื้อแย่งแล้วก็แย่งเหล่านั้นก็คือวัตถุการมแล้วเคยแย่งมาแล้วกี่พันปีก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเราดูคัมภีร์ที่เรากล่าวไว้เนี่ยเขาพูดเป็นกับกับกันกันกันถือว่าก็เป็นอย่างเนี้ยมันมาเป็นกับกับกันกันมาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย มันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่มีธรรมะมีคุณธรรมมีความเมตตาอดรียารอบต่อบุคคลอื่นก็ล้ายๆเราย้อนไปไกลกว่านั้นเช่นพระเวสสันดรสร้างโรงทานขึ้นมาแจกทานอย่างเงี้ยในชาดกเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการสร้างโรงทานแจกทานกันเนี็ยเพราะอะไรเพราะว่าสังคมเนี่ยสังคมมีปัญหาเพราะว่ามีพี่น้องเข้าเรารุดนหนึ่งกลุ่มหนึ่ง มาขาดความรู้พอขาดความารู้มันก็เกิดสภาวะที่ยากไรคือไม่มีความรู้ไม่มีฝีมือไม่มีความสามารถในการที่ประกอบอาชีพสร้างเสริมสถานะไอ้แก่ตนเองแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆบางทีก็ลูกมากเกินไปก็ขาดวางแผนครอบครัวที่เราพูดเนี่ยโง่จนเจ็บเนี่ย การวางแผนค็อบครวเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเนะ่ยคือไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่มีมาอย่างนี้ตลอดดันั้นในสังคมยุคนั้นเนะ่ยจึง เ, เรียกว่ายาจกวานิพกพวกเร่ร่อนจอจัดทั้งหลายพวกกินเดนทั้งหลาย ม, มันเรียกชื่อสารพัดแต่ก็สรุปว่ากลุ่มประชากรด้ยากไรนะ้มันเป็นฐานรากของสังคม คือเราจะถือว่าสังคมไม่ยุติธรรมไปเลยเนี่ยมันคงไม่ได้อะนะแต่ว่าเขาเองบางทีก็ซ้ำเติมตัวเขาเองเราจะเห็นว่าการติดยาเสพติดก็ดีการขี้เกียจทํางานก็ดีการดื่มเหลา้าการเล่นการพนันการอะไรต่างๆมันจะอยู่ในหมู่คนที่ยากจน่งนแกก็คงจะเซง็งนะฮะก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยให้กินทางนั้น แล้นที่สุก็นำไปสู่ปัญหาเยากรรมต่างๆส่วนหนึ่งนั้นเกิดขึ้นมาจากการเอารัดอเอาเปรียบกันภายในสังคมเอถ้าเราลองสังเกตดูนะว่าอย่างวิธีการบูชายัญของพราหมณ์เนี่ยมันชัดเจนมากเลยว่าเอารัดอเอาเปรียบสังคมใช้ความอยากได้กับความไม่รู้ของคนเรียกว่าขูให้กลัวแล้วก็ยั่วยาก กลายเป็นเครื่องมือว่าถ้าทําอย่างนั้นก็จะดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอยงั้นถามไม่ทาอย่างนั้นก็จะเป็นอันตรายอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วกส็สุดเดียวกันทุกคราวที่พราหมณ์ทําพิธีบูชายัญจะใชภ้ภาษาโวหารอย่างเดียวกันหมายความว่าขู่ให้กลัวการเปลี่ยนแปลงจากสถานะที่ตนเป็นอยู่เนี่ยทําให้บูชาอย่าง ในขณะเดียวกันก็ยั่วยากว่าถ้าบูชายัญแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสถานะเดิมดีขึ้นโดนังตัดีขึ้นดีขึ้นก็ป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้แต่นี้แนวตรงนี้มันพิสูจน์ทดสอบไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์ที่พรามนํามาพูดเนี่ยเป็นเหตุการณ์อนาคตแล้วตรงนี้มาอยู่ที่ไหนฮะมาอยู่ที่ดูดวงดูโชคเคราะห์มีการบูชาดาวนบพระเคราะห์ต่างๆมีการอะไรล่ะ ตะดอกเคราะห์มีพิธีกรรมต่างๆมากมายไกล ก, กองเนี่ยก็มาจากพวกเดียวกันนั่นแหละคือหมายความว่าถูกครูให้กลัวแล้วก็ยั่วยอยาแตะแสดงว่าโลภะกับโมหะเนี่ยมันครอบงำสังคมอยู่เพราพิธีบูชาญยัก็มาในลักษณะอย่างเงี้กตอนที่อพคุธเจ้าไปแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับบูชาญาันรู้ไหมแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะก่อน ก่อนยุคของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะมีวิธีคมขู่ของพวกพรามซึ่งถือว่าตัวเองสามารถติดต่อกับพระพุทธเจ้าได้ไปเจ้าได้นะะติดต่อกับพระพป็นเจ้าได้ก็บางทีก็อ้างองค์การสวรรค์จึงองค์การสวรรค์แล้วยังปลอดแทกใหญ่เลยเพราะว่ามนุษย์นี่จะยอมสยบ ก, กับสวรรค์จะกลัวเทพเจ้า จะกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทัง้งหลายพะใครไม่รู้และอ้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็หลอกหากินได้ทุกงานนะ่ะเขาก็าแปลกนะเป็นวัตตะว่ายุคสมัยปัจจุบันแหละมันน่า จ, จะดีขึ้นนะปรากฏว่ายังหลอกต้งกันได้สบายมากแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราเป็นพระเนี่ยบังชีเนี่ยพูดไม่ได้ เพราะว่าจะถูกหาวาิษยากลัวเขาจะไม่นับถือตัวเองนะฮทั้งทั้ีถ้าเราสังเกตสังเกตพระที่ตั้งใจทำงานตามรอบอกรอบของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่เคยสนใจความบริบนับถือจากแบไปก็ทำงานในฐานะที่เขาเป็นพระแต่นั้นเงแล้วก็ไม่สนใจว่าใครจะรู้จักหรือไม่รู้จักเพราะเราก็ทำงานโดยเราไม่คิดรู้จักใครด้วยเราไม่รู้จักนะฮะ อย่างน ง, งานทางวิทยุหรืองานทางโทรทัศน์เนี่ยเรารู้จักใครเราก็ไม่รู้จักใครไม่ได้ติดต่อเกี่ยวข้องกับใครโดยเฉพาะอย่างนี้คือผู้ฟังเนี่ยผู้ฟังฟังเกิดรับเกิดเข้าใจได้ประโยชน์ก็เป็นเรื่องของผู้ฟังมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมก็เป็นผลดีงามของผู้ฟังเองแต่พระนั้นก็ก็ไม่รู้ ว่าม่เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงถ้าจะปรับปรุงตัวเองนะเปลี่ยนแปลงตัวเองท่านก็แก้ไขที่ตัวของท่านเองแต่วิธีการของพรามเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเออทั้งขึ้นทั้งร่องเนี่ยตัวเองได้ประโยชน์บูชายันมันจะต้องมีรูปแบบพิธีกรรมนี้เยอะเลยบางทีทั้งสัตว์ทั้งคนทั้งธาตุทั้งธาตุาสีทั้งกุมารกุมารีในอย่างละห้าร้อยมายันเนี่ย ที่ก็เรียกว่านิรักขละเนี่ยทําลายอุปสรรคต่างๆวันเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ต้องวิ่งเข้าไปจดประแจงพวกพรามให้สินบาทค่าสินบนแก่พวกพรามแม่จับลูกหลานตัวเองมาบูชายันแม่จับสัตว์เลี้ยงตัวเองมาบูชายัญนะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยบาปเคราะ์เนี่ยไปตกที่คนจนซึ่งไม่มีเงินจะให้สินบน เพราะในเด็กที่ถูกจับบาบุชายันก็ต้องลูกคนจนแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยคนจนซึ่งมีน้อยอยู่แล้วก็ถูกยึดสัตว์เลี้ยงมาบูชายันเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขานั่นแหละจะไม่มีเงินไปให้ไปติดสินบนพวกพรา์พรา์ก็ต้องอ้างพระราชดำนะันไปคุมครูเอามา ภาษาตรงนี้ท่านใช้ดีนะเราจะเห็นภาพเออมันก็ความเลวร้ยรายในสังคมมันคงมีไหมเขาเรียกว่าช่อราดบังหลวงหลอกลวงประชาชนเราสังเกตนะเป็นการทำงานในพระปรมาภิไธยหรืออ้างพระปรมาภิไธยของประมากษัตร์ในยุคสมัยนั้นนั่นก็ไปขูดรีดเอากับราษฎร ราษฎรก็ถูกช่อเฉลกลายเป็นช่อราดแต่ทีนี้พอออกมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเอาเอาไปให้ทางบ้านเมืองจํานวนหนึ่งได้ยักย่อกภาษีจํานวนหนึ่งก็กลายเป็นการบังหลวงแต่ภาพลักษณ์ที่เห็นเนี่ยเอามาจากราษฎรก็ดีหรือว่าเอาไปให้แก่บ้านเมืองก็ดีเนี่ยราษฎรเข้าใจเห็นเห็นแล้วก็ชื่นชมแต่สถาเรื่องสายก็เป็นการหลอกลวงประชาชน ทำตอนนี้จึงใช้ได้ดีมันเป็นกระบวนช่อ ร, ราดบังหลวงหลอกลวงประชาชนเป็นนิสัยสันดานนะของคนของคนชั่วบางจำพวกเพราะปัญหาเหล่านี้มันก็กลายเป็นการซ้ำเติมสังคมและบางทีกายเอาผู้หญิงสาวมาบูชายันบูชาเทพเจา้ามีการฆ่า ก็หมายถึงก็ฆ่าละ่ะคือจับโยนลงไปในแม่น้ำหรือว่าฆ่าแพท ย, ย์บูชายันฆ่าอะไรบูชายันอันนี้ฆ่าหมดนะฆ่าจริงแต่เสร็จแล้วเนื้อสัตว์พวกพรามก็ไปกินกันหาประโยชน์ตกลงว่าอมีคนพวกอิสยาชนเนี่ยพวกกษัตริย์พวกพรามพวกแพทย์กลุ่มหนึ่งก็เอาระตัวเปรี่ยวคนหนึ่งโดยเฉพาะวันน่าสูตรกับวันณ่าจันทานเนี่ยสบักสบอมตลอด ถูกราดเอาเปรียบตลอดแล้วก็คนเรานี้มันมันก็กินแรงงานหรือว่าใช้ใช้เป็นเครื่องมือในการบุชายันจะทำอย่างอื่นมันก็ไม่ได้แลนมาถึงจุดหนึ่งก็ในหมู่เขาเองนั่นแหละมันก็เกิดจะเบียดเบียนกันนะใกล้ๆกันเรื่องระเจ้าปรุงอาลาวีนะไปติดสิบบนเอาเราก็ยักเพื่อไม่ให้จับทานกิน พร้อมจะส่งนักโทษมาให้กินและในสุดก็ส่งคนไปแอบจับลูกหลานชาวบ้านมาคนก็อบยพเคลื่อนย้ายหนีก็อยู่ป่าหมดทำไปทันมาก็ติดแร่ที่ตัวเองวางดักไว้ก็คือต้องส่งลูกชายตัวเองแยอยากกินนันก็ทำให้เห็นถึงกระบวนการของกรรมแต่ว่าคนก็ไม่คิดนะฮะไม่ไม่ไม่เคยคิดในเงี้ยกระบวนการของกรรมเท่าไร ความคิดเพิ่มาเป็นระบบกันมาในตอนหลังแล้วก็แพร่หลายนี่ก็มากันในตอนหลังนี่ก็คือภาพภาพของการออรัดเออเรียบที่เกิดขึ้นไปในสังคมเบียดเบียนซ้ําเติมความเลวร้ยรายต่างๆก็เพิ่มขึ้นในสังคมในขณะเดียวกันก็อ้างว่ามาจากพระพรทธ อ, องค์เดียวกันตลกนะฮะใกล้ๆกับว่าพี่น้องเนี่ยมาเบียดเบียนกันเอง เกิดมาจากพ่อเดียวกันคนหนึ่งก็เกิดมาจากโอหรือจากกระมอมพวกหนึ่งก็จากมาเกิดจากฟาหาหรืออุระคนหนึ่งเกิดมาพวกหนึ่งเกิดเป็นจากเป่าพวกหนึ่งก็เกิดเป็จากเท้าพวกหนึ่งก็หนอกันนะก็สรุปว่าก็มาจากพรหมนะมาจากที่เดียวกันแต่ลักษณะเหล่านี้ยก็เราเห็นว่าใล้ายๆกับว่าคนที่มาจากภาคเดียวกันหรือมาจากจังหวัดเดียวกันหรือแม้จะมาจากครอบครัวเดียวกันโดยย่อที่สุดนะพี่กับน้องเนี่ย โตไม่ได้กันผลไมท้ายป่อป้อตายทะเลาะแย่งกระโดกกันนั่นก็คือกดที่จะต้องฝึกปลืออบรมบ่มเพาะสร้างลักษณะนิสัยให้มีสำนึกที่มีความรอบครอบมีเหตุมีผลกันตลอดไปนะฮะเพราะว่ามีคนเกิดขึ้นทุกวันในการเบียเบียนกันในลักษณะเนี้ยบางครั้งบางคราวจึง มีการเขียนค่าทำลายล้างคนเป็นจำนวนมากในรูปมายนแล้วก็พยาญาที่จะสื่อสารสร้างเองเนื่อนไขต่างๆให้คนเห็นว่าในความพักดีเนี่ยพักติเนี่ยรัชติรัฐที่พักติเนี่ยพักติก็คือความพักดีเป็นลนักษณะมอบกายถวายชีวิตแก่คนนั่นแหละแก่องค์กรแก่คณะบุคคลแก่สถาบันต่างๆเลย เระเสียสละเพื่อใครคือว่าคนชั้นชั้นต่ำอะ่ะต้องเสียสละเพื่อชนชั้นสูงนี่ก็คือสังคมในมองหนึ่งนะไม่ไม่ไปใช้ทั้งหมดคือสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่แล้วก็มีอยู่ตลอดไปนั่นแหละตราบใดที่โลกนี้ยังมีคนต้องฟังทั้งหลายกรลงพระโพทยญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงคำนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญก็กลัไปบูรณธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทูกกันสวัสดี